ขอล่นมธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่สองถามหากผมภาวนาพุโทโธเพื่อจะมุ่งให้จิตสงบแล้วต้องพิจารณาลมหายใจเข้าออกพร้อมกันด้วยหรือเปล่าครับคือผมลองทาดูแล้วจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเลยบางทีไปจับคำบริกรรมพุโทโธแต่บางทีก็ไปตามลมหายใจเข้าออกเลยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรตอบ เรื่องบริกรรมพุทโธเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เลยครับหลวงปู่ล่าแห่งภูเจ้อกอ็ท่านถึงกับกล่าวว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยจะทำสมถะก็ได้จะทำวิปัสสนาก็ได้กระทั่งจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานก็ยังได้คือถ้าพุทโธแล้วจิตเจาะเข้าไปรวมกับพุทโธสบายอยู่กับพุทโธอันนั้นเป็นสมถะถ้าพุทโธแล้ว จิตผู้รู้แยกออกผุดออกแล้วเฝ้ารู้ความเกิดดับของพุทโธพุทโธเป็นเพียงสังขารขันที่ถูกรู้อันนี้เป็นวิปัสสนาหลายปีก่อนผมไปหาหลวงตามาหาบัวไปกราบเรียนท่านว่าจิตอยู่กับรู้มานานแล้วไม่ถึงที่สุดเสธีท่านกลับแนะว่าจากประสบการณ์ที่ท่านผ่านมาด้วยตนเองการบริกรรมกำกับเข้าไปที่ตัวรู้นั้นดีที่สุด ในวงเล็บสําหรับท่านวงเล็บปิดแม้จะเป็นขั้นไหนๆก็อย่าทิ้งพุทธโธท่านให้เอามาเป็นกาลังไว้ผมเองไม่ชอบพุทธโธเพราะรู้สึกเป็นส่วนเกินก็เลยไม่ค่อยได้ทำตามที่ท่านบอกแต่เมื่อสองปีก่อนไปอยู่วัดป่าวังน้ำมอกนึกถึงคําของท่านได้ก็บริกรรมพุทธโธเอาพุทธโธมาประคองตัวรู้อีกทีหนึง่งแล้วก็รู้อยู่ที่รู้ ถ้าจุดหนึ่งปัญญาเกิดแว บ, บขึ้นมาว่าไม่มีใครทำจิตให้ถึงนิพพานได้หรอกมีแต่จิตเขาเป็นไปเองเพราะจิตเป็นอนัตตาแล้วจิตก็พลิกตัวเองออกจากขันกลายเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือเป็นจิตที่หลุดพ้นชั่วคราวจากอุปทานขันมีความว่างเบิกบานเป็นอิสระแต่อยู่ได้ไม่กี่วันจิตก็เข้ามาเกาะขันอีกแล้วจนป่านี้ ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเข้าไปที่จุดนั้นอีกเลยเพียงแต่ลองดำเนินจิต ด, ดูพบว่าต้องใช้เวลา 1-2 วันจึงจะรื้อฟื้นภาวะนั้นขึ้นมาได้อีกถ้าเปรียบเทียบแล้วคำว่าพุโทโธเหมือนเสียงตอนเคาะระคังตรงกลางวานเสียงที่ต่อเชื่อมไปยังเสียงเคาะระคังคราวต่อไปคือวิจารในวงเล็บอาการที่จิตแนบสนิทเข้าไปกับเครื่องยึดเหนียวเช่น คำบริกรรมพุทโธวงเล็บปิดเมื่อเป็นได้ถึงจุดนี้ปิติสุขก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับแต่ต้องให้จิตมันเป็นไปเองถ้าเพลงจ้องเข้าไปตรงรอยต่อจะเกิดอึดอัดขึ้นมาแทนที่จะสบายพุทโธแล้วยังรู้ราคะและโทสะที่แทรกเข้ามาแสดงว่าพุทโธแบบวิปัสนาเป็นแล้วครับพุทโธแบบสมัฒนั้นจิตมันจมแช่ราคะละเอียดอยู่ และไม่รู้ตัวครับการภาวนาชนิดต่างๆนั้นเราทำเพื่อล่อให้จิตรวมอยู่ในจุดเดียวมันเหมือนเหยื่อล่อปลาเปรียบเทียบเป็นจิตให้เข้ามากินเบ็ดเปรียบเทียบคืออารมณ์กรรมฐานถ้าเหยื่อชนิดไหนไม่ถูกใจปลาคือจิตของเราแล้วก็อย่าไปใช้มันหาเหยื่อหรือกรรมฐานที่ถูกจริตจึงจะรวมจิตลงเป็นหนึ่งได้ครับอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเราจะเอาปลา ไม่ได้เอาเหยื่อสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมตรปาโมชโชในปัจจุบัน10ิมิถุนายน2542ขึ้นมาทุกอย่างที่ทําต้องทํากันด้วยชีวิตมปัญหามากมายต้องยอมฟื้นทุน ถ้าจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเปลียนพืตอตร